ที่สองมืดค่ำ23นาทีตรงกับคืนวันที่ สิบพอยอสองสี่ก้าสองสิทธุทกองมนมองบางร้องห้ยด้วยจากไปแห่งพระาจา์ป่วยอยู่แปดเดือนด้วยจำได้มีคลาดเคลื่อนแปดเดือนละซึ่งสังขา เจ็ดสิบเก้าปีสิบเดือนอายุท่านก็ถึงคลันด้วยการเวลาเศร้าไม่หยุดสุดจ้าบานเข้าไปกราบเท้าท่านด้วยความกะตันอยู่ตา ปันยาหักห้ามใดๆถึงรู้นานมาอานิจจาวัสังคาราโรยราและเปลี่ยนแปรไปอุปชิตตวานิรูจฉันติเกิดแล้วต้องตายกอหักใจเอาไว้ไม่ลง อาจารย์มันท่านจริงแท้เปรียบเสมือนพ่อแม่ช่วยดูแลทุกสิ่งประสงค์ประพฤติทำเลิดล้ำยิ่งสูงส่งเด่นดำรงทั้งกายและใจมานอนนิ่ง ไปอย่างแสนสงบหน้าเขารบสัทาเลื่อมใสนึกที่เย็บเรียบแมน้นตายแทนได้จะกขอตายแทนทุกกรณี นั่งนิ่งเงียบงงงันสงบกายแต่ใจไหวว่าอน อ, าอ่านในดวงหรือดีเกิดปัญหาคาใจดังเคยแล้วนี่จะมีใครชี้ทางบรรเทาต่อไปนี้คงลำเค็น เย็นชืดและมืดสนิทโอใจและจิตเหน็บหนาวซึ้ลึกซึ้งปนหมุนมองเศร้าหยาดน้ำตาคลอบเบ้าราวรานกลันอารมณ์ขมจิตใจ ให้คลายให้ใ ห, หายเศร้าโศกกันความวิโยกโศกสัน <c oughs> สะกดสำเนียงเสียงซื้นกล้ำกลืนทนกลั้น <c oughs> เกินสุดประมาณน้ำตาร้วงปล่อย ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยคอยช่วยท่านทุกวี่วันปรนนิบัติจัดถวายดึกคอยเฝ้าเช้าคอยอยู่ไม่ดูได้ไม่เคลื่อนคลายยอมพลีแม้ชีวันท่านสิ้นไปดังหัวใจเราสิ้นศูนย์ร้าวอาดูนดังว่าจะอาสันสะกดกลั้นอั้นสะอื้นฝืนจาบันเกินจะกั้นต้านรันทด หยดน้ำตาทุกท่วมทบโถมทับแทบดับจิตให้เย็นชื่อ ด, ม, อดมืดมิดทุกทิศาคมอาวร์ถอนอาไลให้สางซายังไม่วายน้ำตาเคลื่อนเปืือนแก้มนองเมื่อสิ้นบุญพระอาจารย์มั่นแล้วบรรดาพระเนนทั้งหลายต่างระสาระสายกันไปหมดเป็นประวัติการเพราะขาดที่พึ่งขาดหลักใจ ขาดร่มโพ ร, ร่มใยเวลาท่านพรากจากไปแล้วสิ่งที่เคยได้เห็นก็ไม่เห็นสิ่งที่เคยได้ยินก็ไม่ได้ยินสิ่งที่เคยให้ความอบอุ่นแกเรานั้นก็ขาดสะบั้นลงไปราวกับว่าศาสนาธรรมนี้ไม่มีเลยทั้งทั้งที่ศาสนาธรรมนั้นก็ยังมีอยู่หาได้เคลื่อนย้ายไปจากความเป็นจริงไม่แต่เพราะความติดพัน ความเคารพเลื่อมใสในองค์ท่านซึ่งเป็นองค์ปัจจุบันที่ได้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจเรานี้ได้ล่วงลับดับไปจึงเป็นเสมือนหนึ่งฟ้าดินถล่มทลายจนบรรยายไม่ถูกปีที่พ่อแม่ครูอาจารย์คือพระอาจารย์มั่นท่านมรณาภาพนั้นนับว่าเป็นปีที่ทุกขทุกหนักที่สุดในชีวิตฝ่ายลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤรือหัด ได้จัดการถวายพระเพลิงศพพระอาจารย์มั่นเมื่อวันขึ้น13าค่ำเดือน 3, พอสพศ2493เสร็จแล้วท่านก็ทุดงเดี่ยวไปตามป่าดงเขาไพรและวัดแรกที่เข้าไปพักหลังจากถวายเพลิงพระอาจารย์มั่นแล้วคือวัดดดยธรรมเจดี